ดีนะดีที่รู้เริ่มดีแล้วสติเริ่มเกิดขึ้นมาแล้เรานักปฏิบัติชอบไปบังคับคิตจะให้สติเกิดพยายามกำหนดกำหนดเลยลงไปกำหนดนะพระไตรปิฎกไม่ได้สอนแต่อาจารย์ชอบสอนห้ามมันไม่ได้จิตมันจะบริกรรมห้ามไม่ได้นะ เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เรียนเพื่อให้เที่ยงเป็นเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ şey. ตัวสุขเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกที่จะบังคับไม่ได้ที่เรากําหนดเราประคองเราควบคุมจนแข็งแข็งนะนั่นเป็นการฝึกบังคับนั่นเองนี่เคยฝึกไหมได้ฝึกยังไง สติสติตัวจริงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นที่เราฝึกมันจะไปแล้วขณะการบังคับการควบคุมตัวเองสติตัวจริงเกิดขึ้นใจจะเบาเลยนะใจจะโล่งๆใจจะสว่างไสวขึ้นมาสงบตาสว่างรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานถ้าเมื่อไหร่เราลงมือฝึกแล้วใจของเรานิ่งๆทื่อๆหนักๆแน่นๆแข็งๆหนึ่ง เราต้องเข้าใจนะจิตชนิดนี้เป็นอกุศลจิตจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมซึมชื่อชื้นคืออกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีความเบาเรียกว่าระบุตาเบามีมุตุตาอ่อนโยนนุ่มนวลมีาตาคุณตาคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ชื่อรู้สึกไหมเวลาเราฝึกเนี่ยมันใช้ใจเราจะน้อมไปสู่ความนิ่งๆิ่งชื่อชื้นห ร, หรือหนักหนัก แน่นๆ แ, แข็งแข็ง น, ะนี่พราะเราข้ามขั้นการศึกษาไปขั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไกลศิกขาศีลศีลศึกขาจิตศิกษาปัญญาศิกษาเรายังไม่ได้เรียนจิตศิกษาเราข้ามไปเจริญปัญญาเลยไปกําหนดรูปนามนะเพราะฉะนั้นเราเอาจิตที่ไม่ได้มีคุณภาพเนี้ยไปเจริญอิปัสสนาเจริญไม่ได้จริงเพราะสติตัวจริงของเรายังไม่ได้เกิดขึ้นมา สัมมาสมาธิยังไม่เกิดมีแต่มิจฉาสมาธิเกิดปัญญาที่เป็นวิปัสสนายังไม่เกิดมีจินตามายะปัญญาเกิดปัญญาจากการคิดเกิดอย่างความโกรธเกิดขึ้นบางคนก็ไปโกรธนอ้อโกรธน้ออะไรเนี่ยอันนี้ต้องดูนะว่าโกรธนอเพื่ออะไรต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าโกรธน้อเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังปรากฏอยู่อย่างนี้พอใช้ได้ แต่ถ้าโกรดหนอเพื่อจะให้หายโกรธใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เรามีหน้าที่เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้สภาวธรรมไปตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับมันนะไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นต้องทำให้หายพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะแล้วรีบละเสียคำนี้ในสติปัฏฐานไม่มีมีแต่บอกภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ แค่นี้เองจบแล้วงานของเราติตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้นี่ต้องรู้ถูกต้องด้วยรู้ถูกต้องก็จะรู้ว่าโทสะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่ถ้ารู้อย่างนี้ใช้ได้รู้แล้วเห็นใสรักว่ามันมาแล้วมันก็ไปมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันจะมาห้ามมันไม่ได้มันจะไปไล่มันก็ไม่ไปรู้สึกไมไล่ก็ไม่ไป เราไม่ได like ้เ so ร so ียนเพื่อจะไปบังคับมันให้ได้ตามใจชอบห้ามกิเลสเกิดไม่ได้เรียนเพื่ออย่างนั้นกิเลสเกิดแล้วให้ดับเสียไม่ได้เรียนเพื่ออย่างนั้นแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อมีเหตุมันก็เกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับถ้าเหตุมีมันก็มีมันไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับเมาได้ตามใจชอบถ้าอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจธรรมะคือเข้าใจไตรลักษณ์นั่นเอง บังคับไม่ได้เป็นเรียนเพื่อให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนบังคับมีพวกเรารุ่นหลังๆเริ่มพลาดกันนะมาไปแปลคำในพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อนอย่างคำว่าสติเนะี่ยในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้ไม่ได้กำหนดนะไม่ใช่กำหนดรุ่นหลังชอบไปติดคำว่ากำหนดไม่ทราบใครเอามานะคำนี้กาหนดกันใหญ่ กำหนดเนี่ยเจือด้วยโลภะเจตนาจิตเป็นอกุศลฉับพลันเลยนะทำไมถึงกําหนดอยากปฏิบัติใช่ไหมอยากปฏิบัตินะตัณหานะนะอยากปฏิบัติกิเลสเกิดเรียบร้อยแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามที่ตัณหาสั่งเพราะฉะนั้นตัณหายังครอบครองพื้นที่ในจิตใจของเราอยู่จากที่ยังมีการกระทํากรรมคือการทํางานตามที่ตัณหาสั่งเฉนะนั้นเราพอคิดถึงปฏิบัติอย่างบางคน เรอยากปฏิบัติรู้ไปเดินจงกรมเดินไปด้วยความอยากความอยากครอบงาสติตัวจริงจะไม่เกิดเลยเกิดไม่ได้เพราะสติไปเกิดไม่เกิดร่วมกับอกุศลสติกับอกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้นี่เราต้องทําเหตุสติถึงจะเกิดเหตุคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยชินนะที่ทําแล้วสบายใจเอากรรมฐานที่สบายนะ ถ้ากรรมฐานอะไรทําแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่ถูกจัจัดของเร า, าหาวใหม่กรรมฐานมีเยอะแยะปเปิดตาราดูในสติปัฏฐานนะยกเว้นนะมียกเว้นการพิจรารณาศพการพิจารณาศพได้แต่สมถะไม่ขึ้นวิปัสนากรรมฐานต่างๆส่วนใหญ่นอก น, น, นั้นใช้ทนี้ปัสนาได้แต่ลมหายใจต้องระวังอีกนิดหนึ่งลมหายใจเนี่พลิกเป็นสมถะง่ายทําเป็นวิปัสนายาก แต่การรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำมิปัสนาง่ายการรู้จิตนี่ทำมิปัสนาง่ายอารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยเราสนัดอะไรอ้อนนั้นหลวงพ่อยกตืว อ, อย่างสมมติว่าเราถนัดใครเคยฝึกพองยุกเดี๋ยวนี้พองยุกเยอะนะเป็นอันดับหนึ่งจะแพ้ก็แพ้สํานักเดียวที่นั่งเพ่งอะไรต่ออะไรนะนอกจนั้นจะเป็นอันดับหนึ่งเราดูท้องพองยุกก็ได้ถ้าเราชอบ ดูแล้วมีความสุขถ้าดูแล้วไม่มีความสุขแสดงไม่ตรงกับจริตเราถ้าเราดูท้องพองยุบไปอย่างสบายใจต้องสบายใจนะปฏิบัติต้องสบายใจจิตที่เป็นกุศลเ น, นี่ยมีความสุขจิตที่ไม่มีความสุขนั่นมันอาคุโส ล, ละจิตจิตที่หนักหนักแน่นๆ่นแข็งแข็ ง, ขงขอึดอัดอะไรเงีง้ยอาคุโสงั้นถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วสบายใจเราก็ดูไปเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบนะดูเพื่ออะไรดูเพื่อหัดรู้สภาวะ อารู้สภาวะแล้วต่อไปสติจะเกิดนะเพราะว่าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้เั่นกดูท้องฟองยุบแ ป, ปพอใจเราหนีิดคิดแวบไปรู้ทันไม่ใจหนีไปคิดเคยไหมดูท้องฟองยุบแล้วหนีไปคิดนีปไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดนะไม่ใช่ว่ามันนะไม่ได้ห้ามมันนะดูท้องฟองยุบไปจิตไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องไปเพ่งท้อง นี่เกือบร้อยละร้อยทำอย่างนี้ไปเพ่งอยู่ที่ท้องได้แต่สมถะนะเพ่งมากๆเข้าเกิดอาการของสมถะ เ, เกิดปิติรู้สึกตัวลอยๆตัวโปร่งๆตัวเบาๆตัวโยกโยกรู้สึกพุบุบบ้าบ้ารู้สึกผงะรู้สึกเหมือนตัวอะไรมาไต่รู้สึกฝนลุกฝนฟองรู้สึกน้ําตาไหลอะไรองนี้อันนี้เป็นอาการของสมถะทั้งหมดนะอย่าไปสําคัญว่าเป็นวิปัสสนานะ หลาคนที่ไปฝึกแล้วเกิดอาการของสมถะคิดว่าเป็นวิปั ส, สนาคิดว่ากําลังทาวิปั ส, สนาอยู่เป็นเรื่สมถะยังไม่ใด้ขึ้นวิปั ส, สนาจริงนี่ถ้าเราจะฝึกฟองยุบแล้วให้ขึ้นวิปั ส, สนาทําไงดีเราก็ดูท้องฟองดูท้องยุบแป๊ดนะมันขึ้นวิปั ส, สนาได้2แบบอันหนึ่งนั่งดูไปอย่างสบายใจเห็นรูปมันทองรูปมันยุบใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูนะใจเป็นคนดูอยู่สังหาก ทำไมต้องมีใจเป็นคนดูเพราะก่อนที่จะเจริญนิปั ส, สนาได้ต้องแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามไม่ใช่ทำให้นามหายไปนะหลายคนทำให้นามหายเช่นเราจะหยิบอะไรเราจะเพ่งใส่มือเราเลยเพ่งนะนิ้วกรดิกเลิกๆเนี่ยรู้สึกหมดเลยนะแต่ว่าความรู้สึกตัวของเราหายไปโลกนี้เหลือแต่มืออันเดียวนี่คือการเพ่งรูปการเพ่งรูปอย่างมากที่สุดในฌานที่สี่ ถ้าเราเกลียด น, นามด้วยเราเพ่งไปถึงชาติสี่จะเข้าอสัญญาอสัญญาสัตตาจิตดับลงไปเลยเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่นี่เป็นทางเดินของสมถะงั้นเรารู้ฟองยุบนะดูไปสบายๆใจเป็นคนดูอยู่ต่างหาใจไม่ถลําไปอยู่ที่ท้องนะส่วนใหญ่ใจชอบไปอยู่ที่ท้องตรงนี้เราเป็นสมถะงั้นดูอยู่ห่างๆเห็นเวยไอ้ตัวที่ฟองตัวที่ยุบรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรา เรียกว่าวิปัสสนาด้วยการรู้รูปหรือดูท้องฟองยุบแล้วไปดูจิตก็ทําได้ดูท้องฟองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตเข้าไปเพ่งแล้วก็รู้ทันนะจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์เป็นกุศ ล, ลอะกุศ ล, ลคอยรู้ทันอย่างบางทีดูท้องฟองยุบแล้วหงุดหงิดเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีรู้ว่าหงุดหงิดดูไปแล้ววันนี้ปลอดโปร่สบายรู้ว่าสบายพอใจรู้ว่าพอใจนะหัดรู้อย่างเงี้ย ดูท้องผองยุบแล้วรู้สภาวะไปเรื่อยในที่สุดจิตจะจําสภาวะได้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเสี่งก็รู้อะไรอย่างี้เพราะเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยพอใจเราไหลหนีแวบไปสติเกิดเองเลยรู้แล้วว่าจิตหนีไปคิดละสติจะเกิดขึ้นมาเองจิตจะตั้งมัน่นสัมมาสมาธิเกิดอัตโนมัติตั้งแบบปลอดโปรงลงเบานะไม่ใช่ตั้งแบบเคร่งเครียดค่อยๆฝึกไปหรือคนไหนหัด รู้ลมหายใจก็ใช้ได้รู้ลมหายใจรู้ไปรู้ไปจิตไปเกาะนิ่งๆ่งอยู่ที่ลมอันนี้ได้สมถะอย่างที่คุณทําได้สมถะจิตไปเกาะนิ่งๆิ่งเหมือนกันนะจิตไปเกาะท้องก็ได้สมถะเหมือนกันเดินจงกรมจิตไปเกาะเท้าไว้เฉยเฉยไม่ไปที่อื่นได้สมถะเหมือนกันหลักเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างเรารู้ลมหนใจแล้วจิตไปเกาะนิ่งนิ่งไว้ที่ลมหายใจได้สมถะ ถ้ารู้ลมหายใจแล้วเห็นว่ารูปนี้มันหายใจอยู่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกใจของเราเป็นคนดูอยู่ทังหารแม้ต้องมีใจเป็นคนดูอยู่นะทางวัดป่าท่านจะเรียกว่าคำว่าจิตผู้รู้มีจิตที่เป็นผู้รู้รู้อะไรรู้รูปนี่รูปที่กำลังเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจใจเป็นคนดูอยู่ทังหาเห็นทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะไม่ใช่ตัวเรา อันนี้ก็เรียกว่าทำมิปัสนาด้วยการรู้รูปใช้ลมหายใจเป็นฐานหรือเราหายใจไปแล้วเราก็รู้ทันจิตก็ได้หายใจแล้วจิตหนีจิตคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลอะไรก็คอรู้รู้สภาวะไปเรื่อยๆนะต่อไปจะไปทำมิปัสนาด้วยการดูจิตได้หลักเดียวกันนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดนะคนไหนฝึกเริ่มต้นขยับมือเหย่ยดสายลงพ่อเทีย น, นลงพ่อเทียนไม่ชอบสรรมฐานนะ แต่รุ่นหลังๆเริ่มติดสมถะแล้วชอบไปเพ่งใส่มือขยับมือเนี่ยขยับไปถ้าขยับแล้วใจเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่มือได้สมถะเหมือนที่ใจเข้าไปเกาะท้องของยก็ได้สมถะเดินจงกรมยกเทา้ายัา้งเท้าใจเกาะเท้าได้สมถะรู้ลมหายใจใจไปเกาะลมหายใจได้สมถะนี่ขยับมือใจไปเกาะมือก็ได้สมถะเหมือนกันขยับไสแล้วเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูอยู่ห่าง สักว่ารู้สักว่าดูสักว่าเห็นรูปเคลื่อนไหวนี่เริ่มเห็นแล้วเห็นความจริงแล้วไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรารูปมันเคลื่อนไหวนี่เริ่มวิปัสสนาแล้วนะจะเป็นการทำวิปัสสนาด้วยการดูกายแต่ว่าอันนี้เป็นจุดตั้งต้นห อ, อกนะวิปัสสนาแท้แท้วิปัสสนาญาญยังไม่ได้เกิดถ้าวิปัสสนาญาญเกิดให้เห็นรูปมันเกิดหลับได้หรือเราหายใจเราขยับมือไป พูดถึงขยับมือขยับมือไปนะใจไปเพ่งมือเรารู้ทันใจหนีไปคิดเรารู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันนี่เป็นการฝึกซ้อมที่จะไว้ดูจิตต่อไปเงั้นเบื้องต้นพวกเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้ยกเว้นกรรมฐานที่เพ่งออกข้างนอกจริงๆนะเพ่งไปดูเจียนดูไฟดูอะไรอย่างนี้มันได้แต่สับปะรดถ้ากรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเราเองเนี่ยเอามาต่อยอดทำนี้ศัสนาง่าย เราไปรู้อยู่ที่กายที่ใจนะใช้อะไรก็ได้บางคนก็รู้เวทนาสายท่านโคอนกาดูเวทนาก็ใช้ได้สายพองยุบดูช่องพองยุบก็ใช้ได้นะถ้าดูถูกนะถ้าดูไม่ถูกก็ได้สมถะเหมือนกันทุกสายอะถูกก็ถูกเหมือนกันผิดก็ผิดอย่างเดียวกันนั่นแหละนั้นหัดไปเบื้องต้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคย แล้วคนไหนชอบดูกายก็เห็นเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูคนไหนชอบดูจิตดูใจนะก็ทํากรรมฐานไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้รู้ที่จิตนะรู้จิตแต่อย่าไปจ้องให้จิตนิ่งห้ามจ้องนะไปจ้องจิตให้นิ่งใช้ไม่ได้เป็นสมถะเหมือนกันไม่ใช่ดูจิตแล้วจะเป็นวิปัสสนาส่วนใหญ่ดูจิตก็ไปติดสมถะเหมือนกับดูกายนั่นแหละเพราะสมถะเป็นของคุ้นเคย วิปัสนาเป็นของไม่คุ้นเคยวิปัสนาคือการเห็นตรงความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจตรงความจริงยังไงกายกับ ใ, ใจนี้แสดงไตรลักษ์ออกมาถ้าหลุดออกจากเรื่องกายเรื่องใจหลุดออกจากเรื่องไตรลักษ์แล้วก็ไม่ใช่วิปัสนาแล้วเป็นวิปัสนาลึกมาวิปัสนาอนมากเนาะล <c oughs> อ, อกงกันบ้านหน่อยเป็นยังไง <c oughs> บังคับอยู่ยังดูออกไหม ยังไม่เลิกบังคับนะดูออป่ารู้สึกไหงใจมันจะนิ่งนิ่งมันนิ่งนิ่งแล้วมันทื่อ <นะ S 1> อฟ อ, องยุบก็ได้แต่ว่าอย่าสล่มลงไปแช่นะถ้าลงไปแช่ฟองยุบก็เหมือนกับแช่ลมหายใจเหมือนไปแช่กับพุทธโธเหมือนอะไรนั่นแหละเหมือนกันหมดนั่นแหละฮกรรมฐานนะอารมณ์อะไรก็ใช้ได้นะถ้าเกี่ยวเนื่องด้วยกายด้วยใจ ถ้าทำถูกก็ถูกเหมือนเหมือนกันถ้าผิดก็ผิดเหมือนกันผิดยังไงผิดก็มีสองงานถ้าไม่เผลอไปก็ไปเพ่งเอาไว้ถ้าไม่เป็นการมาสุขาริการิโยกก็เป็นหัตตกิรมาตฐานุโยกที่คุณทําอยู่มันเป็นหัตตะกิรมาตฐานุโยกไหมันบังคับตัวเองรู้สึกไหมมันฝึกบังคับฝึกควบคุมนะฝึกไปเรื่อยๆใจอยากไปไปนิ่งไม่ต้อยยงยอมเคลื่อนไหวอะไรคนด่าก็เฉยๆนะเราก็รู้สึกภาวนาดีแล้วตอนนี้คนด่าแล้วเฉย คนชมก็เฉยอีกนะจะรอยจะขึ้นถึงสังขารุเบกขาญาณวนะความจริงเกิดจากการเพ่งเฉยก็าการเพ่งนะส่วนเฉยเพราะปัญญาที่เรียกสังขารุเบกขาญาณเฉยเพราะปัญญานะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่รักอันหนึ่งไม่เกลียดอันหนึ่งนะไม่ใช่พยายามสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเข้าไปนอนแช่อยู่ในนั้นแตนะอย่างนั้นยังรักความสุขรักความสงบนะ คุเบอร์แปสิบเอ็ดรู้จับใจลอยหรือยังยังลอยไม่เลิกรู้ไหมเป็ลอยไปคิดลอยไปคิดจิตนี้มันเลื่อนลอยสติไม่ค่อยมีเพราะจิตมันชอบเลื่อนลอยถ้าพทํามสอนเลยสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะแต่จิตของเราชอบเลื่อนลอยดูออกไหมเดี๋ยวลอยไปทางตาลอยไปดูเขาเดี๋ยวลอยไปทางหูลอยไปฟังเขาเดี๋ยวลอยไปทางใจลอยไปคิดวิ่งไปวิ่งมานะเลื่อนลอย เรีว่าไม่มีสตินะเรื่องลอยแล้วรู้สึกไหมเบอร์สิบห้าเนี่ยลอยดยูคิดแล้วก็ยังคิดไม่เลิกรู้ไหมรู้ไหมไอ้ตัวเนี่ยมันกระดกกระดิกรู้ไหมมันจะยักหน้าอย่างเงี้ยนะรู้สึกไหมเมื่อกี้มันจะยักหน้ามันลืมตัวเองนะงงรู้ไหมงงอ่นะรู้จักสงสัยไหมงงรู้ว่างงนะรู้ลงปัจจุบันไปจรนะิงจริ ง, ง่ายเบอร์เจนะ็ดเราไปดูเขาแล้วก็เลยเลิศเพลินไปแล้วเนี่ย เมื่อเจ็ดจอมเสือเพลินรู้สึกไว้เอาโยทําอะไรรอบนี้สมพงดีไร้สมพงศ์มงไม่เป็นโยเป็นไรไปรอบนี้ือทําไมไปทําใจชื่อๆดูออกไหมแก้งทําใจให้ชื่อไปฝึกอะไรที่ลึกที่ลึกมาหรือเปล่านะรายนี้เป็นคนที่ประหลาด ฝึกกรรมฐานนะพอดีๆแล้วจนะชอบไปเล่นอย่างอื่นสายรอบแล้วนะล้มลุกลุกลานสไหลายปีที่จริงแล้วกรรมฐานนะไม่ยากอะไรนะถ้าเข้าใจหลักแล้วง่ายอย่างเราถ้าเราต้องการทําสมถะกรรมฐานมีสองอันสมถะกับวิปัสสนาถ้าอยากทําสมถะต้องทําใจให้สบายนี่เคล็ดลับนะเชีนรู้ลมแห่งใจต้องรู้อย่างสบายใจนะถ้ารู้แล้วเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบชาตินี้ไม่สงบหรอก เคล็ดรับของการทำสมาธิต้องสบายจับไว้นะนะถ้าเราสบายแล้วมันจะสงบนักความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะถ้าอยากทำมิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจอันที่หนึ่งนะรู้อย่างอื่นไม่ได้นะองรู้กายรู้ใจตัวเองอันที่สองนะต้องรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่รู้กายก็รู้ว่านี่ชื่อว่ามือนี่ชื่อว่านิ้ นี้ไม่เรียกรู้กายนะนี่รู้สมมุติบัญญัติฝลังมันก็ไม่เรียกว่ามือใช่ไหมคนจีนเรียกชิ่วเนี่ยนสมมุติบัญญัติจะรู้รูปรู้กายรู้ใจคุณผู้ชายที่เชื่อลายๆเล็กๆตาสะกดเล็กๆเนี่ยเชื่อหลายเนี้ยเออใจลอยรู้ไหมใจลอยไปเริ่มบงังคับตัวเองแล้วทราบไหม รู้เด็บรู้ทันไปเรื่อยๆนะเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องตั้งใจฟังให้รู้เรนะื่องะไม่มีวันรู้เรื่องหรอกเรียนแล้วหัดดูสภาวะไปนะหลวงพ่อพูดเพื่อพาเราดูสภาวะเท่านั้นเองเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดดูอย่างนี้นะหัดดูแต่เดี๋ยวก็เป็นในส่วนเราจะดูสภาวะธรรมออกจิตเครื่องไหวกระดูกระดิกเราจะเห็นหมดเลยเราเห็นของเราชำนิชนานาเราเห็นของคนอื่นได้ด้วยนะนะ ใครมาหลอกเราไม่ได้กินหรอก ต, อต้องเป็นไงต้องยังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมยังบังคับผมใจให้นิ่งนะรู้เล่นๆนะ น, ๆนี่ลูกศิษย์มัดเขาฉลาดตายโอเคใช่คุณสวุวรรณีเป็นไงดีลวดูไปใจวันนี้เป็นไงใจมีโมหะดูออกไหมมัวมัว นะมีโมหะแทรกเข้ามาแล้วก็รู้ทันมันนะอย่าไปเกลียดมันรู้อย่างที่มันเป็นู้สึกแม้ตอนรู้ทันมันเริ่มสว่างขึ้นมาเออมันจะตื่นขึ้นมาเอาฮุ้งเป็นไงฮุ้งรู้สึกนะรอบนี้รู้สึกดีกว่าคราวก่อนปฏิเวสเป็นไง ทุครั้งก่อนไม่ได้หรือเปล่านะมันคือึดานแล้วนะดูไปอย่าไปบังคับนันคือช่วงไหนพอเรางานเยอะพองานเยอะแล้วพอจะมาวัดหาครูบาอาจารย์นั้นมันจะรีบปฏิบัติกลางทางน่ะวันนี้ปฏิบัติกลางทางเป็นอย่างนี้ใจอึดัดนิดนิดเออ เขาไม่ทุกข์เพราะั้นเขเลยเพลิดเพลินนะอย่างกายกับใจนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นตัวทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์คนทั้งโลกไม่เห็นนะคนทั้งโลกก็จะเห็นว่าร่างกายนี้นานๆทุกขทีหนึ่งทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าไม่เจ็บป่วยก็เรียกว่าสุขนะรู้สึกนานๆทุกข์ทีหนึ่งไม่ตรงคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ได้สอนว่าทุกข์บ้างสุขบ้าง นี่ถ้าตรัสใดที่ยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะใจก็จะวิ่งหาความสุขไม่เลิกแสแบกหาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าทุกข์ล้วนๆนะใจจะวางความปล่อยวางเกิดจากมีปัญญาเห็นใจรักษนี่แหละเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆก็วางนะแต่ถ้ายังทุกข์บ้างสุขบ้างไม่วางหรอกมันจะเอาสุขนะจะหนีทุกข์มันยังมีทางเลือกเราต้องภาวนาจนจิตใจเราเนี่ยนะเหมือนหมาจนกลอกเลยนะ โดนตรกแล้วสู้สู้สู้สุดลิดสุดเด็ดแล้วในที่สุดเอายอมให้เขาตีให้ตายตา ย, ตายไปซะสู้จนเหนื่อยแล้วขีเ้เกียจสู้แล้ะรู้จักใจร้อยอย่างเบอร์สิบห้าเบอร์สิบสองเมื่อกี้ทาอะไรเบอร์สิบสองชอบชิดนะชิดส่วน<ส>ใหญ่เราชาวเมืองเราทํางานที่ใช้ความคิด เ้าคุณเคยที่จะหาความรู้ด้วยการคิดเอาคุณเบอร์แปดเป็นยังไงบ้างอเป็นไง อ, อย่าไปบังคับนะอย่างบังคับเนื้พอรู้แล้วก็บังคับตาพิชาติเป็นไงเอาเบอร์นหนึ่งเลยในวันนี้น่าสีกว่าครั้งที่แล้วตอบถูกใช้ได้ละนะคุณพิชานะ่ะ อะไรนะโอ้แย่ลงตอบตูวอีกใช้ได้ได้หนึ่งคนะแนนเห็นไหมดีก็รู้ว่าดีก็ใช้ได้นะ อ, อแย่ลงรู้ว่าแย่ลงใช้ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนเอาดีนะเราเรียนเพให้เห็นความจริงว่าดีก็ดีชั่วกล่าวนะแย่ก็แย่ชั่วกล่าวแต่ถ้าคนไหนไม่เคยจเจริญสตินะแย่ตลอดนะแล้วนึกว่าดีเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยนะ ตนนี้เป็นไงจิตมันปฏิบัติเองอะไรนะไม่เพราะว่ามันทะลุทะลวงมากไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบใช่แต่ว่าจริงๆจิตมันปฏิบัติของมันเองแล้ว รู้สึกไหมเวลาอะไรมากระทบสติเกิดเองรู้สึกไหมเป ล, ลือตั้งลงเี๋ยวเปลืตั้งๆไม่ยาวรู้สึกไหมว่ามันวางอะไรได้เร็วขึ้นเราวัดความก้าวหน้าเนี่ยเราไม่ได้วัดที่ชั่วโมงของการทําแต่เราวัดที่ความมีสติถ้าสติของเราเกิดก็ใช้ได้แต่ว่ารูปแบบก็อย่าทิ้งนะถ้ามีโอกาสต้องต้องทํา การทำตามในรูปแบบคล้ายๆนักมวยซ้อมซ้อมชกอ่ ะ, ะต้องทำดังั้นใครดูท้องฟองยุบดูไปแล้วก็ดูทันให้ทันรู้ใจตัวเองนะดูลมหายใจก็รู้ไปรู้ลมหายใจไปแล้วก็รู้ใจตัวเองอะไรก็ได้ซ้อมไปเรื่อยแล้วสติจะได้ไหวขึ้นไหวขึ้นเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันนี่สติเกิดเองรู้สึกมไหมเกิดเองไม่ได้สั่งให้เกิดสั่งให้เกิดแล้วมันจะไม่เกิดเต้องเรียนนะ ถ้าใ ค, คฟังหลวงพ่อไป ว, วันหนึ่งจะรู้เลยมันเกิดเองลองหันไปดูคนนี้สิรู้สึกไหมว่าเขาดูผของใสคนไหนที่มีความรู้สึกตัวแล้วจะดูของใสอัตโนมัติเลยรวยโดยไม่ต้องทาแป้งนะอย่างถ้าหลวงพ่อสอนภาวนานเนี่ยบริษัทเครื่องสำํำอางต้องไม่ชอบว่าไงรวย ดีแล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้หน่อยถึงเหมือนกับที่คุณรู้สึกว่าอย่าไปจงใจนะแต่ว่ามีรูปแบบของการปฏิบัติไว้เป็นเครื่องช่วยนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมรู้อะไรก็รู้ไปเอากที่อย่างหนึ่งนะคุณเบอร์82ลงไปแล้วนะ ไม่มากนะแต่มันนุ่มๆชับกวนมันเหมือนไม่ตีใครมายังมันสะบสะบอมอยู่ข้างในคุณแต้มเป็นไงคุณแต้มอะไรนะรู้อะไรนะ มันต้องดูตามหลังไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติก็ดูตามหลังนะก็เป็นนามธรรมนามธรรมนี้เราดูตามหลังไปเรื่อยๆเช่นใจเราเผลอไปอรู้ว่าเผลอในขณะที่รู้ว่าเผลอเนี่ยมีสติเรียบร้อยละแต่ในขณะนั้นรู้ว่าเมื่อกี้เผลอเห็นความเผลอดับไปละต่อมามีสติเกิดขึ้นถัดมาอีกมีสติดวงที่สองก็จะเห็นว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวแต่ว่าเกิดน้อย ันนี้เกิดน้อยนะคนมากตัวที่มารับช่วงต่อจากอุปสนมกกักจะเป็นอักขุศนนี่เองเพราะอักขุสนแล้วมีโอกาสเกิดบ่อยอุปสนมีโอกาสน้อยคนเราส่วนมากตายแล้วไปบายนะแล้วแปะบายเพราะจิตคุณนกับ อ, อักขุศนแต่ว่าคุณแตมดูอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ไปหรอก <c oughs> ดาวดาว <c oughs> อะไรนะ วันนี้เหรอวันนี้ดูออกไหมใจเราไม่ธรรมดามันบังคับอยู่ไม่ดีหรอกใจเราแข็งคื่ๆเราบังคับไว้ดูออกไหมอนั่นแหละฝึกไปนะดีแล้วล่ะแต่วันนี้เราตลัวไม่มีสปีดเราไปประคองไว้ เราประคองไว้ในยเป็นของปลอมติปล อ, อมนะแต่แข็งแข็รู้จักไหมจสตแข็งแข็งที่ฝึกนั่นแหละมันแบบข็งแข็งเนะอ้าวโบมัวจะเป็นยี่า้ยาึวันนี้จิตใจเป็นไงแช่มชื่นไหมไม่ไม่รู้จะมกำลังกำลังเยอะไปรู้สึกไหมกำลังแบบแข็งกร้าแข็งไปน่นึง จริงจังเกินไปไม่แช่มชื่นรู้สึกไห ม, ไ ม, มไม่นุ่มนวลแต่จิตไม่นุ่มนวล น, นะไม่ใช่กุศลแท้หรอกจิตที่เป็นกุศลนะมีมุทุตานุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลมีละมุตาเบาสบายนะจิตที่เป็นกุศลปราดเปรียวโบรู้สึกไหมจิตปราดเปรียวแต่ปราดเปรียวแบบเคยดูหนังสมุไรไหมสมูไรจ้องเนี้ยปราดเปรียวนะอะไรมาปั่นแหลก แต่กลิ้งไปหมดเลยดูไปนะรู้หัดรู้สภาวะไม่ต้องแก่เราไม่ได้เรียนเพื่อแก่เราเรียนเพื่อหัดรู้สภาวะไปเลยต่อไปสภาวะอะไรเกิดสติก็เกิดสติเกิดผีๆเข้านะั่ใจตั้งมั่นจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเห็นเองเลยอ้าปั๊มน้ำตาล มันก็มีแค่นั้นแหละหลวงพอเลยกรุบสภาวะทั้งหมดเลยนะกรุบออกมาแล้วเหลือสองงานนไม่เพ่งก็เปลือแล้วก็รู้อันที่สามคือรู้<ม>ความจริงอันนี้ไปกรุบกรขึ้นมานะพอไปดูทางภาคปริยัติตรงกันเต้เลยตรงที่เปลอไปเนี่ยจิตไหลตามกิเลสไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเนี้ยก็เรียกกวามสุขขริกานุโยค ตรงที่เพ่งไว้ก็เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจก็คืออัตตากิรมาสถานโยคเลยพะพุเจ้าท่านสอนไป้หมดแล้วละ่ะเรารุ่นหลังยังไงก็ไม่กว้างขวางออกไปได้มากกว่าตั้นหรอก <c oughs> อะไรนะ มันมันคือกิเลสนะเพราะงั้นถ้าคนไหนมาเรียนกับหลวงพ่อนะจะกิเลสมากมากกว่าเก่าเพาอะไรเพรแต่เดิมมาเก็บกดไว้อย่างความโกรธเกิดขึ้นโกรนน้อโกรนน้อหรือพุโทโธพุธโทโธแล้ไม่โกรธมันก็ว่าเราเป็นคนดนะีแต่ตอนนี้เราไม่ได้เก็บกดเราจะรู้ตามความเป็นจริงเราจะต้องไปรู้ไปดูแปเราเห็นความโกรธจะเกิดไม่ห้ามไม่ได้นะความโกรธจะตั้งอยู่เราไล่มันก็ไม่ไป เดี๋ยวความโกรธก็ต้องดับจนได้ไม่ต้องไปดับมันก็ดับของมันเองไม่ต้องไปช่วยมันดับนะเพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ไปคนที่ไม่เคยเจริญสติจะสําคัญตนผิดว่าเป็นคนดีคนไหนมาเจริญสติจะรู้เลยหาคนชั่วเท่าเราหายากนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะถ้าลงเจริญสติเป็นจะเห็นในเรานี้ร้ายมากเลยร้ายากว่าที่เราคิดเยอะเลย อย่างบางคนก็มานะ้าถือตัวอวดดีอวดเก่งอะไรเงี้ยมันซ่อนอยู่ลึกๆไมงเคยเห็นแต่พอเราหัดเจริญสติลเยรไจ้แค่ปดคุยไปิเขียมขึ้นมาเราจะเห็นกิเลสแอบทางานขึ้นมาในมมองเห็นเนียหลายคนนะอย่างคุณนี่ทีมคุณพิจิณาภนะัฐพทัทลุงเนี่ยเมื่อก่อนเนีเามีทีมนะสิบเอ็ดคนชื่อทีมสิบเอ็ดนางฟ้านะที่สิบเอ็ดนางฟ้าพอมาเรียนกับหลวงพ่อพักหนึ่งนะไปเปลี่ยนชื่อทีม เนสิบเอ็ดแม่มดผู้รู้สึกตัวพอ ร, รู้สึกตัวจริงๆจะรู้เลยเรานี่ร้ายร้ายสุดๆเลยคอ ร, รู้นะคอยรู้เราไม่ได้เรียนให้เป็นคนดีแต่เราเรียนเพดูตัวจริงเราเองเรียนจะรู้จักตัวจริงของมันงั้นเราหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเอาเบอร์เจ็ดสิบหกรู้จักใจลอยหรื อ, อยังรู้จักการบังคับตัวเองหรื อ, อยัง แล้วเราบังคับทำไม่ใจลอยเราก็บังคับเอาไว้เรียนบังคับอยู่ได้ไหมให้คอยรู้นะรู้ครเอาเบอร์สิบสามเอาเบอร์ส <c oughs> ิบสามเวดีดๆนะ หเหมือนที่นายก อ, อนันต์บอกว่าทีวิกฤตให้เป็นโอกาสดีแล้วดีละวธรมมรมะจะช่วยเรานะเราฝึกเจริญสติไ้ถึงในยามทับขันันในยามที่เรามีปัญหาชีวิตที่รุนแรงธนะรมมรมะช่วยเราได้มีอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแกมีหลายบ้านนะแกเป็นนักบริหารที่ คณะรัฐศาสตร์ทั้งหลายนะน่าจะให้ดุสดีปฏิทิิมติไปปกปรองเก่งไม่มีหลายบ้านไม่ตีกันวิธีการของแกชาญฉลาดนะแกพามาหาหลวงพ่อจีละบ้านพาให้ฝึกกรรมฐานปรรยาเวลาโมโหทิงก็ดูอะไรดูเก่งวันหนึ่งลูกไม่สบายลูกไม่สบายลูกของบ้านหนึ่งไม่สบายทั้งพ่อทั้งแม่ไปยื น, กนเกาะเตียงร้องไห้เลย ลูกจะรอดหรสาวก็ไม่รู้อะไรเงี้ยร้องรองรองไปร้องไปพักหนึ่งนะธรรมะมาช่วยแล้วสติเกิดแม่เนี่ยหันไปมองลูกในเตียงพอมองปับ๊บปัญญาสติปัญญามันทันเลยเนี่มันวัตถุนะนี่มันก้อนธาตุเลยดูตัวเองที่เกาะเตียงอยู่นี่ก็วัตถุนี่ก็ก้อนธาตุเหมือนกันนี่ธาตุมาดูธาตุหนินะความเจ้าโศกเยใจขาดสะ บ, บั้นตรงนั้นเลย ดังทั้งพ่อทั้งแม่นะจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาพ้นจากความทุกข์ได้รูกไม่สบายมากนี่ธรรมามาช่วยแต่แล้วมากราบขอบคุณหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้ช่วยถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมมาก็ช่วยคุณไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ทุกข์เองก็ต้องแก้เอาเองนะฝึก <c oughs> ไปนะแล้วธรรมมาจะรักษารเราคุ้มครองเราคุณน้องเป็นไงคุณน้อง คุณน้องมันนั่งสุมอยู่แบบนี้ไม่เห็นเลยนะบงังคับมิดเลยเป็นไง ดีแล้วดูไปได้่อๆดีแล้วล่ะคุณที่ถัดมาข้างหน้าล่ะที่นั่งกัต้องอ่ะเคยฝึกไหมคนี้ดีทาสนใจฝึกปาาเดี๋ยวหลวงพ่อต้องถามก่อนเดี๋ยวกลายเป็นบังคับให้ฝึกขอสว ด, ดีวิตุาชานนะอะไรนะสวิตจุลาชที่งรงงานก่นนะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ทำงานก็ฝึกได้นะ จ ร, จริงๆหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นค า, ารวะไม่ใช่ว่าฝึกตอนเป็นพระฝึกตั้งแต่เป็นค า, ารวะเราสบายอกสบายใจแล้วเรามาบวชเราหมดภาระทางโลกก็มาบวชเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปพ่อแม่ตายแล้วมาบวชได้ไม่ใช่ว่ารอต้องบาบวชถึงจะฝึกนะการฝึกในเพศของค า, ารวดไม่ได้เนิ่นช้ากว่าพระเลยในขั้นต้นๆค า, ารวะทาได้แล้วทาได้ดีด้วย เพราะคารวะเนี่ยมีผัสสะแรงมีสิ่งที่กระทบกระทั่งรุนแรงกระทบมากนะแต่ละวันแต่ละวันถ้าหากสิ่งใดมากระทบเราแล้วใจเรากระเทือนขึ้นมาเราคอยรู้ไปเรื่อยเท่ากับเราได้ปฏิบัติอยู่ทั้งวันเลยทำไมหลวงพ่อเป็นสารวะเนี่ยรับราชการวันจันทร์ตื่นขึ้นมานะแค่นึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยใจแห้งแรงเรียบร้อยไปแลนะ้วเป็นในใจแห้งแรงอนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นเลย รู้ว่าสดชื่นดูใจตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงเลยนะดูไปอย่างนี้จะกินข้าวเจอของที่ชอบพอใจรู้ว่าพอใจเจอแต่ของไม่ชอบหงุดหงิดต้วหงุดหงิดนะจะไปขึ้นรถเมล์เห็นรถเมล์ว่างๆดีใจรถเมล์ไม่ยอมจอดโมโหนะอยู่ในชีวิตธรรมดาที่ขับรถไปวันนี้เจอแต่ไฟเขียวไปนสดชื่นนะอีกวันหนึ่งเจอแต่ไฟแดงไม่สดชื่นเลย นะฝึกอยู่ในชีวิตนี่แหละธรรมะจะต้องรวมอยู่ในชีวิตธรรมดาของเราให้ไดนะ้ถ้าเราแยกธรรมะออกจากชีวิตปกติของเราแล้วก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลที่พานเลยดังั้นะเราต้องฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหลนะเราไม่ได้ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยก่อนที่จะถึงเวลาทำงานเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนไปจะอาบน้ำจะกินข้าวจะทำอะไรนะคอดูใจของเราไปเรื่อย ยังอากาศหนาวแต่ก่อนหลวงพ่อคนโบราณนะอาบน้าในตุ่มอะ่ะพอหน้าหนาวก็เห็นตุ่มน้ําเนี่ยใจมันบอกไม่ถูกเลยนะคุณเบอร์แปดสิบสองเคยรู้รสชาติใช่ไหมถ้าไวขนาดสูสีกันอย่างนี้นะแต่เข้าใจเลยไนหะเวลาหน้าหนาวแล้วก็เห็นตุ่มน้ำเนี่ยจะต้องอาบเนี่ยนะมันสยองมันรู้ใจสยองรู้ว่าสยองอาบน้ําไปขั้งที่หนึ่งสยองมากนะครั้งที่สองเริ่มลดลงแล้ว พอขันท้าๆใกล้จะเลิกเริ่มดีใจแล้วเป็ดจากสยองเป็นดีใจนะอาบเสร็จชิดตัวตัวแห้งๆนะหน้าหนาวๆพอตัวแห้งแล้วรู้สึกบุญมีความสุขอีกละดูใจของเราไปด้วยธรรมะจริงๆอยู่ในชีวิตเรานี้แหละอย่าสมมติว่าเราเมีลูกเนี้ยงลูกบางวันลูกเราเป็นไข้จิตใจเราเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองแต่ไม่ใช่อุเบกขาให้ลูกตายนะ อย่างนั้นไม่ใช่เบิกขาแล้วอย่างนั้นโง่จิตใจเราเศ้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองเหาทางรักษาลูกไปหรือวันหนึ่งเรียกลูกมากินข้าวลูกมากินอย่างดีเลยรู้สึกสบายใจ ร, รู้สึกลูกเราน่ารักเรียกให้กินข้าวก็กินอีกวันหนึ่งเรียกให้กินไม่ยอกกินอีกแล้วแท๊กโมโหโ อ, อีกแล้วในเลี้ยงลูกก็ทําได้นะเลี้ยงคนแก่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ทําได้คนแกช่ชอบเล่าเรื่องซ้ำไปซ้ำมา ตอนไจ ต, ตื่นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าจะต่ออย่างนี้ฟางแล้วรำค า, าญรู้ว่ารำคาญหลวงพ่อเนี่ยคนแก่ชอบเลยเพราะว่าอยากฟังอยากเล่า ก, ก็เล่าไปไม่ขัดคอแต่เวลาเรามีตุระเราก็ต้องรีบเล่านำเข้าไปหน่อยนะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ใช่มล่ะเรียนจบแล้วนะถ้าเราไม่มีธุราก็ปล่อยเขาเล่าไปเขามีความสุขทําให้คนมีความสุขได้บุญนะ มิงเป็นไงมีความสุขไหมมิงรู้สึกมั้ยเมื่อกี้กำลัง ม, มีความสุขตอนนี้ความสุขลดลงแล้วรู้สึกมั้ยดีแล้วมิงวันนี้ใช้ได้อ้าวไปบังคับให้มิงแล้วรู้สึกมั้ยรู้ทันนะขอบคุณที่ตัดไปส่งกันบ้างคี่าน่าจะช่วยอยู่หรอว่าช่วงที่ขอกทำงานจะรู้สึกมีความสุขดีดีค่ะเพราะว่า ไม่ทันะมันจะรีบทำงานธรรมดาธรรมดาแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะค่อยๆรู้สึกไปพอใช้ได้แล้วมันถัดใไปนู่นเห็นไหมเฉลยเลยพอหลวงพ้าชมตอนส่ง mail เห็นไหมถัดสุดสีละลืนะมตัวเอง หมูนิดพูดแต่เรื่องบอล น, นะสองวันมานะมาเล่าเรื่องบอลแต่ก็วยย่างหมอกันัดีความจริงกับการรับภาษาวัยเสมอแหละแต่พอวรับผษาแล้วสติปัญญาจะเกิดไหมสติปัญญาเกิดได้ไวขึ้นก็ดีล้วโยเนี่ยซึมซึมไปเนี่ยเพาไปดูบอลหรือเปล่า ดูหนังโอ้อยไปดูมากทีมันไม่เห็นมาดูเราเลยไปดูมันทําไม <c oughs> อ่ะคุณเบอร์สี่สิบเจ็ดตรงกันบ้านหนะี่ย <c oughs> ดีละสติมันเริ่มเกิดแล้วละ่ะนะ <c oughs> อย่างเวลากีเรสมาคุณเริ่มเห็นเองเลยใช่ไหมไม่ได้เจต น, นาจะเห็นไนมะ่เห็นเองแล้วทันทีที่เห็นเองเนี่ยมันจะดับวับเลยมันจะดับวับเลย จะไม่เหมือนที่แกล้งเห็นนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นโกรธน้อโกรธน้อนไม่หายไม่หายง่ายๆ่าเพราะสติจริงๆไม่เกิดแต่ว่าถ้าสติตัวจริงเกิดมันเกิดเองหรือมันเกิดจริงๆก็ไม่ได้เกิดเองหรอกมันมีเหตุจิตมันจําสภาวะได้เช่น พ, พอโกรธขึ้นมาล้วมันจำได้ว่าโกรธยังไงมันดิดถางได้ไ่มสติขาดทันทีความโกรธจะดับทันที<อ>ดีแล้วคุณทำได้ดีอาจารย์ ใช่เราภาคไม่ภาคเราห้ามไม่ได้แต่เราอย่าไปช่วยมันคิดนะคิดมันภาคใจเราสิจงใจคิดไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นพอความโกรธมันเกิดแล้วมันมีตัวหนึ่งพูดออกมาว่าโกรธอีกละอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยว่าไม่ได้แต่ถ้าเราไปช่วยมันคิดก็ออโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลยนะอะไรเงี้ยใหช่วยมันคิดนะมันภาคเป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้ถ้อย่าเงี้เราเราก็ต้ง เ ร, เราดูไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรากลับข้างนะอย่าไปดูว่าเมื่อไหร่จะดับเดี๋ยวลำคาญไม่ยอมดับสัทีลองดูซิมันจะอยู่ได้ตลอดไปไหมลองกลับความรู้สึกนิดหนึ่งแต่ความรู้สึกที่เราารัอยู่เนี่ยป็นภูมใช่ไหมคะะนมรู้สึกองเราจันบไงใจเราไม่เป็นกลางจริงใจเราไม่ชอบแใจเราไม่ชอบนะไม่หายหรอก ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอะใจที่ไม่เป็นกลางพระเจ้าสอนอย่างนี้นะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําเอาเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องรุ่มรุ่มมันพุ่งขึ้นมาในความคิดเรารุ่มใจขึ้นมานะเราไปอยากให้หายยิ่งรุ่มม า, มากกว่าเก่า<ช>นะให้รู้มันทุกเขามีไว้รู้นะไม่ได้มีไว้รุ่มเล่น ไม่ต้องไปไล่มนะันยิ่งอยากให้หายยิ่งไม่หายเดี๋ยวบางคนขับรถอยู่โดยก็าปาดหน้าแล้วโมโหเนี่ยคนทั่วๆไปพอโมโหไม่รู้ว่าโมโหนะจะไปปาดคืนก่อนมองแต่ไอคนที่ปากเราลืมมองจิตตัวเองนักปฏิบัติจะเห็นเลยมันโมโหล้วนี่นักปฏิบัติที่ยังไม่ชํานาญพอมันโมโหขึ้นมาเนะี่ยอยากให้มันหายกลายเป็นว่าไปโมโหไอความโมโหตัวแรกอะไม่ชอบมัน งนไม่หายหรอกมีแต่เพิ่มความโมโหก็บีกิแลกก็โมโ ห, หคนที่ขับรถบาดหน้าตาหลังโมโหตัวเองว่ามันทำไมขี้โมโหนักวนะ <c oughs> นื้อใจมันมีกิเลสซ้อนไปเรื่อยๆแล้วเด็กนี่นะจะคุยอะไรกับหลวงพ่อไหมเด็กกับโรงแดงเนี่ยไม่คุยะไรเหรออายุเท่าไหร่ล่ะคนนีหกปีเหรออ๋อไว้เจ็ดปีแล้วให้มาคุยกัน 6ปีแล้เกินไปคนที่มีที่คาดผมแดงๆเนี่ยเป็นยังไงฟังรู้เรื่องบั้งไหมถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องแนละ้วถือเป็นอัจฉริยะในรอบพันปี <c oughs> หลวงพ่อพูดหลวงพ่อยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราจริงๆไม่ได้พูดให้รู้เรื่องหรอกนะพูดแล้วให้เราคอยสังเกตสภาวะไปพอเราดูสภาวะเป็นรู้วิธีที่จะรู้สภาวะนะแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยตัวเองได้ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกทั้งหมดเลยรู้สึกเองแล้วฝึกเป็นสติเกิดคนนี้ลนะ่ะเคยมาไหมหน่มแถวที่สามเนี่ยเบอร์สนะิบเอ็ดอ่ะหมายมีเบอร์นะแต่ว่ามีเสื้อข้างนอกครุมไม่หนงแล้วเห็นกิเลส ต, ตั้งไหมเออเออดี อเออเออเป็นธรรมดานะธรรมดารู้บ้างก็อย่างดีอ่ะรู้ไปเรื่อยๆพอจิตใจคุ้นเคยที่จะรู้ต่อไปมันรู้บ่อยพวกเราคนไหนมีป้ายเลขนะมัจจะกลับคืนด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกหายไปหลายไปแล้วแล้วหนูเสื้อเขียวอะ่ะ อะไรนะเหลือข้งสุดท้ายไหมเรียนที่นี่นะไม่เก็บค่าเรียนนะเเรียกร้องอย่างเดียวไม่เรียกร้องเงินค่าเรียนหนังสือก็แจกให้ฟรีนะเรียกร้องอย่างเดียวทนทไว้หน่อยไม่เรียกร้องอย่างอื่นเลยเรียกร้องให้คนคนฟังไปฟังเหมือนจับต้นจนปลายไม่ถูกฟังไปเรื่อยๆจนจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นมา ทำไมฟังไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดหไหมเพราะหลวง่อพูดแต่เรื่องแต่ภาวะรวนๆอย่างนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจลอยแว บ, บไปแล้วเพลียเขียวอะง <ๆ S 1> นะั้นฟังไปเรื่อยๆนะพอสติเกิดเราจะรู้ในการปฏิบัตินี้ง่ายที่สุดไม่ได้ทําอะไรเลยจิตมันทําของมันเองสติก็เกิดเองสมาธิก็เกิดเองไม่ต้องไปกัะคองไว้ปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นมา คุณเอร์สี่สิบเจ็ดทำอะไรหลวงไปคิดนะไปคิดรู้จักหลวงคิดแล้วใช่ไหมตอนหลวงพ่อพูดใหม่ๆนะคนยังงงนะบางคนเขียงหลวงพ่อเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเปิดที่วัดเก่าใหม่ๆที่สวนโป้ทีมคุณห้อยนี่หนมาด้วยกันมาครั้งแรกนะหลวงพ่อบอกว่ารู้สึกตัวไว้คนนั้นสบัดหน้าดิฉันไม่เคยขาดสติเลย <c oughs> เราโอ้เจียวารหันก็แล้วเวลาเราหลงไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนั่นแหละเราขาดสติเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรถ้าเราลืมกายลืมใจนิยามคําว่าสติสติที่หลวงพ่อพูดหมายถึงสัมมาสตินิยามของสัมมาสติก็คือความระลึกรู้กายความระลึกรู้ใจนั่นเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจตัวเองก็เรียกว่าไม่มีสติ ในการที่จะรู้กายรู้ใจยังมีสองแบบแบบหนึ่งรู้ด้วยการเข้าไปเพ่งไว้ไปกดนิ่งๆเอาไว้มีสตินะแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปกดแช่นิ่งๆไว้มันก็นิ่งอยู่งั้นตลอดฝนะึกกรรมฐานเจ็ดวันแปดคืนหรือแปดคืนเจ็ดวันเลยรมันก็จะนิ่งๆอยู่งั้น น, ะนิ่งอีกอันหนึ่งมีทั้งสติทั้งปัญญาจิตไหวตัวขึ้นมาก็เห็นมันมีปัญญารู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไป เป็นแต่เกิดกระดับแต่ถ้ามีสติเพ่งลูกเดียวนะไม่เห็นเกิดดับจะเห็นนิ่งๆหรืออย่างมากที่สุดเห็นของอื่นเกิดดับยกเว้นจิตของเราเองมีจิตที่นิ่งคงที่อยู่ตัวหนึ่งหลายคนที่ฝึกนะฝึกเกิดทั้งมีตัวนิ่งค้างอยู่นั้นเป็นปีๆอยู่แล้วนะสิ่งอื่นเป็นไตรลักหมดเลยยกเว้นจิตตัวเองเป็นอัตตาบังคับได้อันนั้นมิจฉาทิจจินะถ้าเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นสัมมาทิจจิ คุณเบอร์82ทำอะไรหลงหลงไปดูรู้สึกไหมถลำลงไปดูลืมตัวเองลืมกายลืมใจรู้แต่ลมโลกนี้มีแต่ลมน ะ, นะค่อยๆรู้นะสติตัวแท้นี่เกิดยากก็ค่อยๆดูค่อยๆฟังคนฟังไปขอาคุณไม่มีปัญหามากนะครูอาจารย์สอนมาได้ดีแล้ ตะมาชอบอ่านหนังสือโลกูดูสนุกสนุก <c oughs> น่ารักอ้าว่างไงอาจารย์คะอยากรู้ว่าเราเราเราดูแล้วก็พอเราเห็นเหมือนเราดกายดูกายแต่เราจะไม่เห็นจังวะที่ที่เป็นไปรัก แ, แล้วเราเราสอนเองไปด้อส อ, อนก็ได้ส อ, อนก็ได้เป็นอุบายเบื้องต้น แต่ถึงสอนยังไงก็ไม่เห็นใจรักหรอกได้แค่ความสงบการคิดพิจารณาอะไรต่ออะไรนะให้ได้ความสงบเท่นั้นแหะเป็นสมถะใจรักเนี่ยต้องเอาไว้เห็นไม่ได้เอาไว้คิดทําไมมันถึงไม่เห็นใจรักคุณทราบไหมของคุณนะมีปัญหาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมันอยากปฏิบัติมัอยากปฏิบัติก็เลยไปตั้งใจจ้องเอาไว้จ้องเอาไว้เลยไม่มีใจรักให้ดูทุกอย่างนิ่งหมดเลย อย่าไปจ้องไว้ก่อนใช้ชีวิตธรรมดาเนี่แหละขั้นแรกคือสีห้าไว้นะมีสีห้าไว้ก่อนหลัจากนั้นเนี่ยเราจะไม่บังคับตัวเองเช่นคนนี้มาด่าเราเราไม่ต้องทําตัวเป็นคนดีว่าไม่โกรธเขามาด่ดาเราเราเห็นในใจมันเดือดปุดๆเราเห็ น, นใจตีแรกเฉยๆตอนนี้ใจโมโหแล้วนี่แสดงว่าความเฉยไม่เที่ยงนี่จะเห็นใจรักณ์ด้วยการียบเทียบเอาเบื้องต้น ถัดไปพอจำนี้จนานจะเห็นไตรลักณ์จริงๆไม่ใช่ด้วยการเปรียบเทียบการที่เราเห็นว่าเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งยังไม่ขึ้นตัววิปัสสนาแท้เป็นการเห็นไตรลักณ์ด้วยการเปรียบเทียบจิตจะดําเนินอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีสมมสัตสัญญาชื่อฟังยากนะแตไ่ไม่ต้องจําก็ได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตัวจริงยังคิดอยู่ยังเจือด้วยความคิดถ้าวิปัสสนาตัวจริงจะไม่เจือด้วยความคิดจะรู้สึกเอา นี่ศสนานี่รู้สึกเอานะเช่นความรวดเกิดขึ้นก็รู้สึกรู้รู้ว่ามันรู้สึกรวดละยูกัดแล้วขันเนี่ยรู้สึกขันจะรู้สึกทางกายคนมาเอา้อนหินมาว้างเราเจ็บรู้สึกเจ็บโมโหรู้สึกว่าโมโหละรู้ทันคอยรู้สึกะไม่ใช่คิดนะบางคนมาถามว่าคิดกับรู้สึกนี่ต่างกันยังไง อย่างอยู่กัดแล้วคันเนี่ยความคันใช่ไหมเรารู้สึกเอราไม่ต้องคิดว่ามันยูกัร์แล้วจะคันหรือไม่คันถ้ามันคันแล้วเรารู้สึกเราหรืออย่างอิ่มได้กินข้าวไปเรื่อยนะมาถามว่าความอิ่มเป็นยังไงถามไม่ได้แต่กินไปเรื่อยๆมันอิ่มมันก็รู้สึกเอรามันรู้สึกอิ่มเอาวิจตัสนาเนี่จะรู้สึกเอาจราไม่ใช่คิดเอาจาอาจารเป็นไงคุณช่วยส่งมาให้ อะไรนะมีอะไรตลอดนะมีโมหะวันกรีวันนี้ภาวนาดีไม่ต้องการแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างช่วงเช้าไม่เห็นว่าโมหะมันเดือไปแล้วก็มีใจอีกอีวงนึมก็สงบดีดีวันนี้ภาวนาดีนะคือมีโมหะแล้วรู้ว่ามีโมหะสอบผ่านนะเห็นไหมสอบผ่านของหลวงพอง่ายนะแล้วมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสบอกว่าดีแล้ จิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้นะเช่นจิตใจอยากฟังธรรมฟังแล้วอิ่มเอิบใจไม่รู้เลยว่ากำลังเคลิดเนเกินในการฟังนะมีความสุขในการฟังธรรมะแล้วไม่รู้ทันติใช้ไม่ได้นี่ไม่ใช่มาตรฐานของหลวงพ่อนะพระเจ้าท่านสอนไว้ท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลายเมื่อจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลอันนี้ดีจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลไม่ดี จิตเป็นอักขุผลรู้ว่าเป็นอักขุผลดีดีดังั้นมีโมหะรู้ว่ามีโมหะดีเรียบร้อยแล้วอันนี้ดีในแบบของวิปัสสนาถ้าดีแบบสมถะต้องสงบต้องไม่มีกิเลสถึงจะดีคนละดีกันนะคนละมัธตาดังนั้นดีของสมถะก็ดีวิปัสสนาไม่เหมือนกันดีของวิปัสสนาถ้ารู้ตรงความเป็นจริงได้ก็ดีแล้วล่ะเบอร์เจ็ดสิบห้าเป็นไงว่วงไหม ง่วงรู้ว่าง่วงหลวงพ่อแกล้งถามไปงั้นหลวงพ่อเห็นตาแดงๆไม่ใช่ปาฏิหารนะ <c oughs> บางคนก็คิดลึกมาฟังแทนที่จะฟังธรรมะนะอยากดูปาฏิหารท <c oughs> ั่วถึงหรือยังมีใครจะส่งกันบ้านอีกไหมคุณผู้หญิงนี่ที่ผมยาวๆหน่อยที่นั่งหลังเด็กเนี่ยเด็กเสื้อขาวเออเคยมาไหม เคยฝึกแหมฝึกอะไรมาฝึกพองยุกไม่ใช่ฝึกคุณแม่สิริคุณแม่สิริท่านฝึกตัวท่านเรียบร้อยแล้วนะม <c oughs> าฝึกดูท้องพองยุกนะนะก็ดูท้องพองยุกไปไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าดูแล้วก็เติมสติปัญญาลงไปอย่าไปเพ่งท้องนะฟังที่หลวงพ่อพูดมาเข้าใจใช่มเราดูท้องพองยุกแล้วใจเราไหลแหวกไปเรารู้ทันใจเราไปเพ่งรู้ทัน เป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้ทันนะรู้บ่อยๆแล้วมาส่งกันบ้านนะเดีย๋ยวไม่ต้องไปสุดคุณแม่ริลีนะ <laughs> ท่านสุดของท่านเอง <laughs> เอาวันนี้พอสมควรเดินกลับบ้านได้ฮะอาว่าไม ดีแล้วล่ะการที่คุณได้รู้ทันตัวเองนั้นดีแล้วนะทุกวันนี้คุณตภาวนาดีขึ้นแล้วคุณได้เห็นสภาวะในจิตใจตัวเองแล้วดีเออน่ารู้ทันมันไปปฏิเวศเป็นไงเอาส่งแล้วหรอเห็ยังง่วงง่วงไว้ดูอกไหมยังเป็นหน่วงมันไว้นะเอ้าวสองคนที่มาหลังสุดเลย มาตอนหลวงพ่อใกล้เลิกแล้วนะคล้ายๆมาดูหนังตอนหนังจะเลิกแล้วเคยฝึกไหม <c oughs> เคยทำกรรมฐานอะไรกันมาอเออคนนี้ตอบถูกนะบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าฝึกแบบคุณแม่สิริศไม่ถูกนะหรือมาบอกว่าฝึกยุกหนอพองหนอนนี่ก็ไม่ถูกนะนะทางสำนักเขาเรียกวิชานี้ว่าองยุก ง, งั้นฝึกดูท้องของยุคต่อไป แต่ว่าเติมการรู้สภาวะลงไปเช่นเราดูท้องของยุบไปแล้วใจของเราเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องเคยเป็นไหมเวลาดูแล้วเราเข้าไปนอนแช่อยู่ที่ท้องอันนี้เป็นการเพ่งให้เรารู้ทันว่าจิตเข้าไปเพ่งแล้วดูท้องของยุบแล้วจิตหนีไปคิดเคยเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ประหลาดละดูท้องของยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดรู้สึกไหมบางวันดูท้องของยุบแล้วจิตฟุ้งต้าน จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งก่านบางวันดูแล้วสงบใช่ไหมสงบรู้ว่าสงบนะดูแล้วจิตใจเป็นยังไงพรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้จิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงตามการกระทบอารมณ์ตากระทบหูกระทบนะจะหมูกริ้นกายใจกระทบเนี่ยความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยรู้ไปเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังต่อนะหลวงพ่อเริ่ม พดตั้งต้นใหม่ไปไหวแล้วเหนื่อยบ้านอยู่ไหนกันอยู่อะไรนะโอ้หน้าตีมากเลยอยู่ชนบุรีคนก็อยู่ระยองเาก็มาทันนะมาไวๆนะหลวงพ่าสารเส็ดลงซึ่งเชิญกลับบ้านได้เช